ตอนเสียงเพลงทิปแปลจากเรื่อง The Sound of Music จากนิตยสารเฟตเดือนเมษายนคริสตศักราช1971